ร่างกายของเราก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่เ อ, อ, ยอย่างรักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มอาหารก็ อ, อย่างที่เราประจวกันเมื่อสัก ค, กครู่ตรงกั้งจิตใจมีทาตรู้ธาตว่างมีธารู้ รู้สึกตัว้ารวาจเจริญงอกงามถัดวางทุคังที่รู้ถ้ารู้และรู้สึกตัวมันจะเกิดการปล่อยการวางมันจะวางสุขวางทุกข์วางสุขวางทุกข์วางสุขวางทุกข์ก็ต้องรู้สึกตัว ขณะที่รู้สึกตัวจิตมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเห็นทุกข์ดัว ก, กายก็เห็นร่างกายเป็นกอนทุกข์เขามีปฏิยามีอาการต่างๆแดงออกขยับเขยนเคลื่อนไหวหายใจกระพริบตา เอาเข้ า, อ, าออกน้ำเข้าน้ำออกดินเข้าดินออกเห็นทุกมัก็ถึงเห็นเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็คือมันไม่รู้ว่าคืออะไรก็ยึดในการต่างๆเกิดความชอบความไม่ชอบพอใจไม่พอใจหนาวก็ไม่พอใจเย็นก็พอใจ แล้วแต่บางทีก็ร้อนก็ไม่พอใจนี่ร้อนก็พอใจมันก็เป็นลักษณะของการเห็นแล้วก็เข้าไปตีค่าตีความเอาพื้นฐานของนิสยัยความเคยชินต่างๆมางทีมันก็จำเป็นจำเป็นที่จะต้องรับรู้อาการต่างๆือดูการต่างๆ เราใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ฝนตกก็ปลูกผักยมหาอาหารแมวมัน เ, เป็นสุเป็นทุกข์เลี้ยงปลาเวลาฝนตกปลาก็ยิ้มงัคนตากผ้าก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์ผ้ามีแห้งแล้วถ้าเราอยู่โดยมีความรู้สึกตัวเราก็จะเห็นอาการที่เกิดกระจายกระจัยของเราภายนอกภายใน ของกายมีทุกข์ที่เป็นอาการทุกข์ทุกขนานๆมาทีหนึ่งเดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวไปปัสสาวะเดี๋ยวก็หายน้ําต้องดื่มน้ํนานันานมาทีหนึ่งอาการทุกขมม์มาเยี่ยมมาเยีอนแล้วก็ผ่อนคลายบรรเทากแก้ไขเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง มีตระหน้าทุกทุกิมอยู่หนึ่งนิดเลยหายใจกับปีบตามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเวลาร่างกายของเรามันแก่ทุกอีบทนั่งเดินยือนนอนต่างๆกูเหยียดเคลื่อนไหวเป็นประจําเกิดอยู่ที่ยิบเลยมีทั้งทุกในอริยสัจสี่จิต ที่มันหลงหลงไปางตาบ้างหลงไปทางหูบ้างในรูปในรสในกลิ่นในเสียงความคิดการปรุงกันแต่งอารมณ์ต่างๆถ้ามันรู้เท่ารู้ทันมันก็รู้ว่าเหตแห่งทุกคือชอบเผลอหลงเข้าไปเมื่อกลับมารู้สึกตัวไอ้ที่มันตุกข์ก็เพามันไม่รู้สึกตัว ไม่มีติรู้ทันอารมณ์เะมันเคฝึกขาดการรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมีกายมีฐานกายทําไม่รู้จักฐานรู้จักถิ่นไม่มีที่อยู่ตพอเราฝึกจนคุ้นมายาเห็นว่าเหตุแห่งทุกขคือมันชอบหลงเพลปในความคิดในอารมณ์รู้ไ ม, ม่ทันสภาพธรรมจิตวิญญาณ ที่เขมีหน้าที่ของเขามาโนมิญยาณทวารเขาคือหน้าที่คิดโดยตรงไม่เห็นเห็นไม่ทันมันก็เลยไม่เห็นเห็นทุกข์มันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่วางทุกข์หรอกมันก็เข้าไปในความทุกข์ยึดเป็นอุปทานเป็นอุปทานในขันต์ทั้งห้าก็คือไปแช่ไปจมปลักอารมณ์ค้าง แต่ท้าสุด ก, ก็มีปรากฏการณ์ทุกในพระไตรลักษณ์แสดงออกมามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็จะได้เห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์มันจะเป็นสภาพธรรมตามเหตุปัจจัยเราก็รู้เหตุปัจจัยางทีก็ทำอะไรไม่ได้มีความรู้สึก ตัวไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงจากภายนอกนันเป็นธรรมที่เป็นภายในนะเราฝึกกันอยู่นั่งสร้างจังหวะสืบสัง่งจังหวะแต่ละขณะเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกบางทีก็เดินจงกรมทําไมต้องเดินเพราะนั่งมันเมื่อยทํำไมต้องนั่งเพราะเดินเมื่อยตัวเมื่อยมันเป็นตัวทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ก็คือไม่รู้สึกตัวหลงเขไปในความเมื่อยเหตุแห่งทุกข์ก็คือปฏิบัติทรมนานนั่งก็นั่งนานเดินก็เดินนานนอนก็ยังทุกข์อยู่ขนาดท่าสบายแล้วให้นอนทั้งวันทั้งคืนก็นอนไม่ได้หรอกก็ต้องพลิกไปพลิกมาแก้ทุกข์มันก็เป็นแล้วนะของความจริงเวลาปฏิบัติทมเลยได้เห็นความจริง ที่กายที่ใจใเกี่ยวข้องกับสภาพธรรมต่างๆอย่างตรงไปตรงมาไม่ลบไม่หลีกก็จะแก้แก้ที่เหตุแห่งทุกตัวทุกไม่ทำไปแก้ทุกมีไว้กําหนดรู้เมื่อยทุกอะไรก็ตามมีไว้กําหนดรู้ทุกที่กายทุกที่จิตใจทุกจากสภาวะทุกทุกจากสามัญลักษณะ นิรทุกอาคันตุกะทุกทุกในระยะสัตว์สี่รวแล้วจะมีไว้กำหนดรู้ทั้งหมดเหตุแห่งทุกคือไม่รู้สึกตัวหลงถ้าหลงก็ต้องต้องทุกแต่เห็นทุ ก, ก็ปล่อยก็วางมันก็เกิดเป็นแต่ความร้อนแยมแช่ยนมือพองแหวมก็ตกกลับเองน่นเป็นสัญชาตญาณจิตของเราเวลามันหลงคิดไปมันก็ร้อน เป็นาาร า, า, าค้าจลิตโตสาจริตราคคิโรสาคิโมหคิไฟมันร้อนก็ตัดกลับมากลับมาสู่มรรคทางเดินก็คือความเป็นปกติของจิตผิดปกติไปสู่ไปทุกข์มันก็สะดุง้งไปทำที่สะดุง้งที่สะดุ้งว่าโอ้มันผ่านไม่ได้ยังไง่องรอยประสบการณ์ลองรอยเหตุการณ์ ลองอยของอดีต ท, ที่มันเจียด้ำมาถึงวันนี้ได้มันก็คนโวยลุกนะบางทีมันก็สงสารสงสารตัวเองนั่นแหละที่ผ่านมามันใช้ชีวิตไม่ถูกมันใช้ไปตามอารมณ์มันใช้ไปตามจริตนิสัยมันใช้ไปตามมานาทิธีอาตาตัวตน เป็นเกิดความยิงผยองตระนงโหหังมามังการต่างๆแล้วเราก็เชื่อมันกูเก่งแต่พอมันเห็นแล้วจริงๆแล้วมันก็โอ้สองสารสงสารเราสงสารเขาสงสารเขาะเนื่องมาจากเราเห็นเรามันก็เป็นรอยละที่เราจะต้องเดินตามมัตควิถีโดยใช้ มัคควิธีก็คือปฏิบัติการลงไปกรรมฐานปริยัตปฏิบัติก็เกิดผลขึ้นมาเป็นปฏิเวทมันมีการ ท, าทุรลามีวิปัสนาทุหลาเราเข้าสู่กระบวนการวิปัสนาทุลาเป็นทุหลาของนักบวชผู้อยู่วัดอยู่วาระพุตปมจันเป็นนักปนานน ก, กรรมฐานมืออาชีพแล้วก็ฝึกจนจำนานแหล ในรูปแบบเกิดการวางกายวางใจเมื่อได้ที่พึ่งได้ที่พักได้ที่เพียงได้ที่อยู่มาตรฐานของจิตก็ค่อยๆปรากฏจึกรทั่งมันเป็นมาตรฐานจริงๆก็คือมันเป็นปกติมาตรฐานจริงๆจิตมาตรฐานของจิตต้องปกติมันก็จึงชัดแบบออกหนะ้าออกตา เป็นการเกี่ยวข้องกับอาการต่างๆตรงไปตรงมาตรงนี้แหละท่ภาวะของผู้ดูดูละเห็นเห็นแล้วไม่กล้าไปเป็นที่หลวงพ่อเขียนท่านชอบใช้เกลือนมือเนี่ยก็จะได้รู้ว่าภาวะผู้ดูมีไมมหัวทิ่มก็ไม่มีหรอกบวบปาไหวไปสักพักหนึ่งอนาดามาไม่มีเาเชิญอารมณ์แล้วไม่ผ่านอารมณ์ บางทีอาทิตย์หนึ่งผ่านสักอารมณ์หนึงเดือนผ่านสักอารมณ์ปีสั่งผ่านซักอารมณ์ก็ดีละอยดลงไปลุ่มลึกลงไปซาบซึงลงไปจนมันใช้เผชิญเผชิญกับโลกความเป็นจริงมีโลกธรรมก็ใช้กับโลกธรรมไปเรารู้เราดีที่สุดเราเห็นเราว่าดีที่สุดชนะตัวเองก็ดีที่สุด ชนะตัวเองเห็นตัวเองไม่มีใครมีภัยว่าเราแน่แต่หน้าที่ก็ทํำกันไปอะไรดีก็ทํำกันไป ท, ทําดีไม่ติดดี ท, ทําดีไม่ยึดดีทําไปวางไปมันก็มีอะไรเกี่ยวข้องกันนู่นแหละปัจจัยสี่ทำกลัวเป็นกลัวกรรมฐานไปก่อสร้างก่อ ส, งอสร้างกรรมฐานไป เป็นหมอพยาบาลก็หมอพยาบาลมีกรรมฐานรักษาคนไกล้ไปก็ติดดูแลเรื่องเสื้อผ้าเสนาอนานิกาลดแล้วแต่กรรมฐานได้ทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะพูดจะคุยจะหลับจะตื่นจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเราส่วนตัวส่วนตัวส่วนหลักทางจิตวิญญาณก็อยู่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ทําอะไรไม่ใช่ ทุกคนก็มีหน้าที่ตามบทบาทบทบาทของชุมชนของสังคมแล้วก็ว่าไม่ตามบทบาทแท้ที่สุดแล้วท้ายสุดก็คือสิ่งเดียวกันจะเรียนบทบาทไหนก็ตามท้ายสุดก็เป็นเรื่องของความไม่ทุกข์ทุกมีแต่ไม่เป็นปัญหาทุกมีแต่ว่าเราอยู่ด้วยปัญญา ปัญหามีแต่ไม่ทุกมีอยู่ปัญหามีปัญหานี่แก้ไปหมดลยิ่งเราแก้ปัญหามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งลึกลงไปเท่านั้นอย่างตอนนี้วัดแก้ปัญหาด้วยการเอาไฟสามเฟสเข้ามามันจะมีปัญหาใหม่ลึกลงไปไฟจะนี่หลับดับหมดนะถึงเวลาสี่ห้าโมงเย็นมันก็ต้องถูกต้องจริงๆตามหลักมากมายแลิกัน หนึ่งหลังหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวิตหนึ่งหลังหนึ่งเซอร์กิตกระจายออกให้ได้หรือว่าพอคนเข้ามาอยู่มากขึ้นมากขึ้นต่อน้ําต่อไฟสร้างอะไหรก็ไม่พอเนี่ยเนี่ยมันก็คือปัญหาที่มันลึกลงไปลึกลงไปเรือ ล, ลงไปชมุมชนมันกว้างขวางมันใหญ่ตโตขึ้นพัฒนาขึ้นไหมจะมาอยู่ตามคนไหมนวลเรืองว่างนวลเรอคลองกว้าง นอนทําคนก็แมวกแล้วมันเป็นความสะดวกต้องให้ให้เป็นลักษณะของมันจะมีอะไรก็ตามแล้วก็ไม่ทิ้งกรรมาฐานตรงนี้ถึงจะคุ้มค่าสังวัดจังวาอยู่กันอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าหรือทุกคนไม่ทุกเน่แกเจ็บตายเป็นนะมันเป็นบทเรียนที่รู้จักเรียนจก แล้วก็พร้อมไเชิญมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเรื่องกระจกไงเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องเล็กไม่มีปัญหาเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กไม่มีปัหาปัญหาไม่มีปัญหาดีใจเราใจเราไม่เป็นปัญหาแต่หน้าที่ต้องทําก็ทําหน้าที่ทําวัดสวดมนต์ก็ทําหน้าที่กัน เสี่ยงคลองดังมงผู้ทีมีจิตศรทัทธากระตือร้นมาทำวัตรจุดมงนมง่งบางคนก็อาจจะไทำอย่างอื่นมากมายเมื่อก่อนมง่งก็มีลาจนเข้ามาตัวเล็กๆเตี้ยๆเดี๋ยวเงินหายห้าพันห้าพันหลายครั้งหลายหนในการหายบ้างงัดกุดนิมิตเดียวกันแต่วิธีคิดแตกต่างกันไป อีกคนจะทําบุญทําดีอีกคนก็เออละ่ะหวานหมูคิดไปอย่างนั้นอันนี้แหลนะนะเราก็ใช้ใกายของเราใช้วาจาเราใช้จิตใจของเราผ่านความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันจะพาเดินไปทางที่เป็นทิศทางสู่ความสะอสว่างสงบไม่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงในตัวเรา อันดับแรกคือเห็นกายเป็นรูปเป็นน้ำก่อนกายกำลังเป็นรูปน้ำคนที่เห็นมันจะตื่นหน่อแล้วก็มีอาการแปลกๆมากมายเหมือคนที่เห็นจุดเนี้ไม่อยากฟุ้งก็ต้องฟุ้งไม่อยากพูดก็ต้องพูดไม่อยากแสดงออกก็ต้องแสดงออกขึ้นมามันเป็นอารมณ์ของมันปลักเหมือนคนมีเงินในกระเป๋ามีของมีค่าในกระเป๋ามันอยากอวดมันกันหน่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสามรอถูกหวย สศรษีใหม่อันนี้เป็นอารมณ์คนที่รู้รูปนามแล้วก็เริ่มเห็นนามรูปแต่ว่าสติยังไม่ค่อยชํานาญเนี่ยไม่ค่อยล่องตัวยังไม่ชัดเจนนะมันจะหลงก็ไปนในความคิดในจิตเนะี่ยเป็นฝ่ายบนฝ่ายพิติตรจะ ก, กระตือรือร้นคึกคักหน้าขาวรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาอารมณ์ปฏิบัติเนะี่ยตัวงนี้ไม่อยากพูดเป็นไปไม่ได้ไมนอยากพูดนะอารมณ์ตรงนี้นนะ ถ้าท้ายสุดมันก็จะจืดๆไปเองหรอกท้ายสุดมันก็เออมันก็ไม่อร่อยหรอกลืมเนื้อลืตัวมันจะ ก, กลับมาหาตัวกรรมฐานขมันต่อไปยังมีของละเอียดรุ่มลึกอีกในเบื้องต้นในทางกลางในที่สุดยังมีอยู่มันก็ต้องไปให้ถึงหลวงพ่อช่วงนี้ก็พูดกับบอกคนหลายคนนะที่อยู่ในวัดบอกว่าเออให้รีบปฏิบัติกันซะ ตอนนี้หลวงพ่อยังอยู่หมายความว่ า, าไงให้รีบปฏิบัติกันอย่าไปหันเรียนหันขวางโอโเอเนอนช้าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่มันพลิกได้อยู่เสมอหลายที่พระครูอาจารย์หมดไปเสื่อมลกละ้างว่างเปล่าน่าเสียดายอย่างเขาอย่าเปลี่ยแม่ชีแตกกันก็เจิงเลยพระเพอตอนตันอยู่ไปศรัทธาบุคคลแต่ไม่ยอมปฏิบัติกัน พอท่านแตกไปบางคนก็ร้องอมร้องให้เสียศูน์มาที่นี่ก็ยัยเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่นี่พยายามใช้สถานที่ก็ทำให้เสนาชนะต่างๆอาจารย์ตุ้มก็ทำให้เยอะพระสอ์อาจารย์ตุมต้มงนั้นเดิม 3, มีกุดสามกุดสิบสามเก่ากุดสามกุดสิบสามจะไม่ได้แ น, น่นอนสิบสามจอสิบสาม ชอสามน่าจะใช่เหรจะไม่จันตุ่มที่ไฟไหม้ผมชอสามนะตัที่แรกเป็นกุศเก่าๆทำพระท่านก็จุดเทียนทิ้งไว้กปิตตีไปหน่อยไหม่ทั้งหลังเลยเข้าวราหนึ่งก็สร้างไว้ทันทีจะได้ประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์ของไฟโยงเหมือนกัน พอ ส, สร้างกันไว้พอทายสุดกรไม่มีใครอยู่แล้วจะขอตัวจริงที่มาอยู่เนี่ยไปไหนกันเดารถทําไม่ไปฏิบัติมันก็อยู่ยากอยู่เสนาจะน่าจะดีขนาดไหนก็นํามทายที่สุดแล้วก็คือนะความรู้สึกตัวเราก็เลยฝึกในรูปแบบมนนีที่เดินชมกลมมีที่นั่งสร้างยังไหวอาศาัยบรรยากาศกะแลมิทที่ตอนนี้มันยังดีอยู่ ยังมีสิ่งแวดล้อมที่มันสมบูรณ์มีศสัทธ า, าสิ่งคอยช่วยให้เราปฏิบัติอย่างรื่นเริงกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยกระรอกกระแตมันัก็ช่วยอยู่หมูมหมาค้างไก่มันช่วยอยู่แล้วก็เป็นความรื่นเริงในการปฏิบัตนะิสังเกตอารมณ์ที่มันเวลาเพ่งๆไอ้พวกนิมจะดึงช่วยเราอยู่ ใบไม้ไหวก้อนเมฆดยแล้วมันก็เกิดความนุ่มนวลขึ้นมาจิตใจผ่อนคลายแสงของดวงดาวของแสงจันทร์แสงพระอาทิตย์ยามพรเพรหรือว่าประาทิตย์ขึ้นมันช่วยเรารื่นเริงแสงร่มอรุณอย่างเงี้ยมารู้สึกเออชีวิตวันใหม่มันมันมันมีความสุขมันมีความหวังวันใหม่แสงพระอาทิตย์ มันค่อยๆแสงเงินแสงทองยืวิเราควรจะมีบ้างลุงอารุนของวิปัสสนาญาณมาเจอลุงอารุนของวิปัสสนาญาณก็วิปัสสนก็รับทันทีอโรวิปัสสนดุลณีของวิปัสสนาญาณกับอารวิปัสสนนั่นแหละก็จึงไม่ไม่แปลกเราต้องอาศัยครูบาอาจารย์เพื่อไม่ให้หลงอารมณ์โดเฉพาตัวหลวงพ่อขียนท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เนียติดขัดอลรมณ์ลยถามท่านทั้ ตอนนี้ท่านบอกหมดเลยไม่ปิดบางอภงอังจริงๆส่วนคนที่ปฏิบัติคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไปคยกท่านท่านหูหนวกทันทีเนะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอาให้สิให้พรเสร็จแล้วก็เออต้องรีบไปแล้วว่าให้สิแล้วคือไล่แล้วอย่าี้ยแต่ว่าสุภาพอยู่ด้วยปัญญาไป็นหนึ่งนั้นเราก็จึงเห็นลองเห็นรอย คนง่วงแล้วผ่านความง่วงได้มันจำไม่ลืมหรอองร้อยความง่วงเวลาปวดเวลาเมื่อยมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันทะลุะมันหายมปิดทิง้งอย่างเงี้ยคนก็จะมีความรื้สึกมันจําไม่ลืมประมาณนี้มันมาแล้วอย่างเงี้ยพราอเลยอีกสักนิดอา้าวมันผ่านได้สติมันแก่กลขึ้นมามีความคิดอ๋อลองรอยความคิดมันเกิดตรงนี้ประจําเลยสมรภูมิฐานการคิดเกิดตรงนี้ จิบยบ ย, บยิบไปทางตาวาดไวไปทางหูเราจะเห็นอาการว่าอที่มันวาดไวเป็นอาการของจิตมันก็จําแม่นไอสัญญาเก่าๆมันหายไปสัญญาใหม่เกี่ยวเรื่องตัวเองมันชัดขึ้นทิศทางกระแสของธทำกระแสที่เป็นกระแสของมรรคมันก็จะมีอารมณ์นิวรณธรรมต่างๆมาให้เราได้รู้จักก่อน เหมือนกระกล้ามจะโตได้ก็ต้องยกของหนักก่อนก่อนจะเข้าถึงตัวนีปรัชนาก็จะต้องผ่านอารมณ์รรมีวัลธรรมอารมณ์วิปัสสนของหนักถ้าผ่านได้ก็พื่อเพืเพืพือเป็นร่องรอยเป็นทิศเป็นทางไปเลยตรงนั้นแหละไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็น พูไม่ได้ก็ต้องพูดได้เราเป็นใบพูดได้ตามเหมาะปอดมองไม่เห็นก็ต้องเห็นตาบอดมองเห็นงือมันเห็นตัวมันเองอ่ะเนีตาในมันเคยบอดเป็นผู้ถูชนเป็นคนเป็นเป็เป็นสารโลกสุลกายเป็นดาราฉานเี้แต่พอมีแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นมาตาในเปิดตรงนั้นน่ะมันรู้แล้วโอ้ตาพุทธะมันเป็นตาในตาสติตาปัญญา ต ร, ตรงนี้เราก็มีสัญญาของมันเหมือนกันสัญญาภไยในใจเรานะเป็นร่องรอยของการเดินทางนะทุกคนก็ต้องได้สัมพัสแหละหนีไ ม, ม่พ้นเลยว่าการเคลื่อนการไหวของกายเนะนี่ยร่องเนี้ยมีร่องของเวทนามีตัวดูมันดูเห็นสัตว์ว่าเห็นเวทนาสัตว์ว่าเวทนากายสัตว์วกายจิตสัตวาจิตมันสอดสองทําเห็นธรรม ติมปลากฏกุศลนกุศลต่างๆอาการต่างๆในเวลา ร, รมหรือว่าลองรอยของคุณธรรมต่างๆหรือว่าตัวสติสมาธิปัญญามันจะมีอาการมีปฏิยาที่เราสัมผัสด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละอย่างนี้ก็พูดใี้ฟังเห็น่าสมควร เ, เวลาเรากราบพระพร้อมกัน